เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของโลกของมนุษย์นละเทวดาทั้งหลายทั้งปวง่งเป็นผู้มีความรู้ที่จะสอนให้สัตว์โลกผู้ที่สนใจ ได้นำเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติให้เกิดความสุขเกิดความเจริญแก่จิตใจของตนขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นมรรคผลนิพพานเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับทางด้านจิตใจ ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายชีวิตของพวกเรานั้นมีสองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวจิตใจนี้เป็นของยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันตายแต่จะ อยู่อย่างไรท่นั้นที่เป็นปัญหาจิตใจจะอยู่อย่างสุขอย่างเจริญก็ได้จิตใจจะอยู่อย่างทุกข์อย่างเสื่อมก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของจิตใจเองถ้าจิตใจรู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นผู้ที่จะมากรรมกับความสุขและความเจริญ และความทุกข์และความเสื่อมของจิตใจจิตใจถ้าต้องการความสุขความจเจริญก็ท้องทำตามกฎของกรรมกดแห่งกรรมกดแห่งกรรมนี้ก็มีกำหนดไว้ว่าทำดีได้ดีได้ความสุขได้ความจเจริญ <c oughs> ทำชั่วทำไม่ดีก็จะได้ความทุกข์ได้ความเสือ่อม กฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎสาคัไม่ว่าจะรู้จักกฎแห่งกรรมนี้หรือไม่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ว่ามีกฎแห่งกรรมถ้ามีการกระทำกรรมแล้วจ ะ, จะต้องเกิดผลตามมาอย่างแน่นอนดังที่เราชาวพุทธคงจะได้ ระลึกกันถึงอยู่เรื่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาทจะดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้แหละเป็น เป็นกฎตายตัวที่กากับดูแลความสุขความเจริญและความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจถ้าเราไม่รู้จักกฎแห่งกรรมเราก็อาจจะไปทําในสิ่งที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างกับสร้างความเสื่อมให้กับจิตใจของเราก็ได้เพราะว่า จิตใจของเรานี้ถูกความหลงครอบงามอยู่มราจะทำให้เรามองเห็นกับตาลบปัดเห็นความสุขเป็นความทุกข์เห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นการกระทำที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เช่นการกระทำบาปทำไมคนเราถึงมีการกระทำบาปกันอยู่เรื่อยๆ เ, เราคิดว่าทำบาปแล้วจะทำให้เกิดความสุขจะได้สิ่งที่ตนเองต้องการเช่นอยากจะได้ทรัพย์เมื่อไม่สามารถที่จะหาทรัพย์ด้วยกําลังของตนเองได้ก็ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมา ก็คิดว่าการมีทรัพย์นี้จะทำให้ตนเองมีความสุขเพราะเมื่อมีทรัพย์ก็จะสามารถไปซื้อสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องการได้แต่ความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์หรือรักทรัพย์มานี้มันเป็นความสุขทางกายเป็นความสุขชัว่วคราวเป็นความสุขที่มันไม่ยั่งยืนถาวร มันมาอยู่มันมากับกายแล้วมันก็จะไปกับกายเวลาร่างกายตายไปทรัพย์ต่างๆที่หามาได้ก็จะหมดไปกับร่างกายใจผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาทรัพย์มาใช้เพื่อให้เกิดความสุขนั้นก็จะไม่สามารถเอาทรัพย์ติดตัวไปได้ แต่สิ่งที่จะเอาติดตัวไปติดไปกับใจได้ก็คือวิบากหรือผลของการกระทําการกระทําบาป<ม>เพื่อที่จะได้ได้ทรัพย์มานี้มันจะติดไปกับใจมันจะเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจะจะเป็นตัวที่จะฉุดรากจิตใจให้ลงต่ําจากการเป็นมนุษย์<ม>ให้ลงไปสู่เป็น สัตว์ที่อยู่ในอบายสี่ชนิดด้วยกันถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> แทนที่จะได้ร่างกายของมนุษย์ก่อนต้องใช้บาปให้หมดก่อน ต้องเกิดเป็นสัตว์ในราชานตนกล่าบาปที่ได้ทำเอาไว้หมดกาลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, <ม>ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย<ม>ที่เราเรียกว่าเปรตเปรตนี้เป็นดวงวิญญาณที่หิวมีแต่ความหิวโหวยเพราะว่ามีแต่ความโลภความอยาก ครอบงามจิตใจได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีความรู้จักว่าอิ่มว่าพอได้คือก็อยากจะได้ศอกได้ศอง ก, ก็จะอยากจะได้วาได้น้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้แสนอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มความพอนี่จะเป็นลักษณะของดวงวิญญาณ ของผู้ที่ตายไปแล้วที่ทำบาปด้วยความโลภดวงวิญญาณนี้จะมีแต่ความหิวโหวยเพราะช่วงที่เป็นดวงวิญญาณนี้จะไม่สามารถไปหาสิ่งที่อยากได้มาตอบสนองความอยากเห็น<ม>อยากจะได้เงินได้ทอง<ม>ก็ยังไปไม่ได้เพราะยังไม่มีร่างกาย<ม>ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถใช้ร่างกายไปหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆที่อยากได้โดยวิธีการทาบาป ช่วนั้นก็จะเป็นช่วงที่อดอยากขาดแคลนเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิ ว, หวโหยอดอยากขาดแคลนทุกทรมานอย่างยิ่งไปจนกว่ากําลังของบาปที่ได้สะสมได้ทําเอาไว้หมดกําลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกับ <Yeah. S 1> ดวงวิญ ญ, ญาณชนิดที่สาม <Yeah. S 1> ที่ทําบาปด้วยความกลัว yeah. ดวงวิญญาณชนิดนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาหวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้บุคคลนั้ น, นบคนนุนบคคล น, นี้เพราะเวลาที่เป็นมนุษย์เวลาที่เจออะไรที่ไปพบกับสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาก็มักจะทำบาปด้วยการกำจัดเขาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่นเจอสัตว์น้อยคานก็มักจะฆ่าเขาเจอมดมแมลงก็มักจะฆ่าเขาเพราะกลัวกลัวเขาจะมาให้ความทุกข์ความความยากลําบากกับตนเองก็ื่ยใช้วิธีการทําบาปเพื่อกําจัดแต่การกําจัดเสียสัตว์ต่างๆที่มาให้ที่มาสร้างความกลัวนะั้นมันไม่ได้ทําให้ความกลัวหมดไปความกลัวก็ยังจะมีอยู่ในใจอยู่ไปเรื่อยๆ เวลาตายไปก็จะเป็นจิตดวงวิญญาณที่ถูกความหลอกความหลงหลอกให้กลัวในสิ่งต่างๆจะเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีความสงบอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลาไปจนกว่ากำลังบาปนั้นหมดกำลังลงถึงจะสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนผู้ที่กระทำบาปด้วยความาคาดขยาบาด้วยความโกรธเปลียด ฟันต่อฟันตาต่อตาใครมาทำร้ายเราเราก็ต้องตอบโต้เขาร่างแคนกันฆ่าฟันกันดว<ม>งวิญญาณพวกนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ถูกความอาฆาตพยาไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทเผาผลาญจิตใจ<ม>เราเรียกว่านรกดว<ม>งวิญญาณเช่นนี้เรียกว่านรกสัตว์นรกทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท จางเวียนจงกง ร, รมนี่เป็นผลที่จะตามมาจากการที่เรามาเป็นมนุษย์กันอยู่และมาทำบาปชนิดต่างๆกันเราอาจจะไม่เชื่อเราก็อาจจะคิดว่ามเมื่อเราตายแล้วร่างกายนี้ตายไปแล้วชีวิตของเราก็สิ้นสุดลงไม่มีใครที่จะไปรับผลบาปต่อไป แต่เราไม่รู้ว่ามีผู้ที่ยังไปรับผลบาปอยู่ผู้นี้ก็คือใจผู้ที่ใช้ร่างกายในการกระทำบาปต่างๆนี้ความจริงร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำบาปร่างกายจริงไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบาปแต่อย่างใดแต่ผู้ที่ไปรับผลบาปนี้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็คือใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำบาปชนิดต่างๆตามความโลภตามความอยากอันนี้ผู้ที่ทำบาปจึงเป็นใจและผู้ที่จะไปรับผลบาปก็คือใจเวลาใจไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย จะอยู่ในโลกทิพในซีกที่มีแต่ความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขติดวงวิญญาณของผู้ที่ทําบาบนี้จะไปอยู่ในซีกของทุกขต mm hmm. อิอยู่สี่ฮะอยู่สแห่งด้วยกันขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทําบาปว่าทําอย่างไร mm hmm. ทําบาปด้วยความโลภทําทบาบด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาบเช่ mm hmm. นพวกผู้ พวกพวกคนที่ทํามากินเพื่อเลี้ยงชีพทําบาปเพื่อเลี้ยงชีพเขาก็คิดว่ามันเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่จะทําได้เพราะว่าต้องเลี้ยงชีพตัวเอง<ม>ก็เลยทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนเช่นเป็นชาวประมงหรือเป็นผู้ที่อ ซื้อเห็ดซื้อซื้อสัตว์เลี้ยงมาฆ่าเพื่อทำอาหารมาปรุแต่งมาขายเป็นต้นพวกนี้เขาทำบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นบาปเพราะกฎหมายของมนุษย์ก็ไม่ไม่ได้ถือว่าผิดสามารถทำได้จะฆ่าสัตว์เช<ม>่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายนี่เขาก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย แต่มันผิดกฎแห่งกรรมถ้าไม่รู้ว่ากดแห่งกรรมห้ามไว้ถ้าทำไปเพื่อเลี้ยงชีพนี่ท่านก็ถือว่าทำบาลด้วยความหลง<ม>ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะนี่คือธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานดีๆนี่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวนี้เขาต้องเขาต้องทำบาพเพื่อเลี้ยงชีพของเขาเองเพราะเขาไม่สามารถที่จะไปทำมาหากิน ด้วยอาชีพสุดเจริญได้เขาก็ต้องฆ่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพของเขายกเว้นสัตว์บางชนิดที่ไม่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการกินสัตว์และกินสัตว์น้อยเช่นพวกพวกสัตว์ที่กินหญ้ากินกินผักกินหญ้านี้พวกนี้เขาก็จะไม่ได้ทําบาปเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าธรรมชาติของเขาหรือกรรมของเขานี่ มันกำลังจะหมดลงทำให้เขาไม่ต้องไปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลียงชีพของเขาแล้วต่อไปเขาก็าอาจจะหมดกรรมหมดบาปเขาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยได้อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้พบกับนักปราชผู้รู้เราก็จะไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็จะมองไม่เห็น พบชาติต่างๆที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเ<ม>พราะเราก็มองเห็นเพียงแต่ร่างกายและเราก็คิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้ว<ม><ม>ชีวิตของเราก็สิ้นสุดลงที่ความตายของร่างกายเราไม่ได้ไปไหนต่อแต่ความจริงสิ่งที่ตายไปนี้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนประกอบที่ไม่สำคัญ องค์ประกอบที่สําคัญที่อยู่อย่างยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายก็คือจิตใจที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรามักจะขอพรให้กับผู้ล่วงลับว่าขอให้ไปสู่สุคติกันเพราะเรายังมีความเชื่อว่าผู้ตายนี้คือร่างกายนี้เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของผู้ตายอีกส่วนคือส่วนที่ไม่ตายคือดวงวิญญาณนี้ยังไปต่อแล้วจะไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกคติก็ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่มีใครสามารถที่จะขอพรส่งให้ดวงวิญญาณต่างๆไปอยู่ที่สุคติหรือที่ทุกคติได้ พามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติหรือทุคติก็คือกรรมนี่กรรมก็คือการกระทำในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ผู้ที่กระทำนี่ก็คือใจส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงผู้ที่เป็นเครื่องมือของการกระทำตัวร่างกายนี้เขาไม่รู้ว่าเขาทำบุญหรือทำบาป ท, ทำดีหรือทำชั่ว เพราะร่างกายนี้ไม่มีความรับรู้ไม่มีไม่มีทำไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรผู้ที่มีความสามารถที่จะรู้อะไรนี้ก็คือใจใจที่มาครอบครองร่างกายตอนที่มีการปฏิสนทิในคันของมันดาใจนี้เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายเป็นใจที่ได้หมด ได้ถูกอำนาจของบุญของบาปปล่อยออกมาให้มามีร่างให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นช่วงที่บุญและบาปไม่สามารถที่จะดึงดวงวิญ ญ, ญาณให้อยู่ในอบายหรือดึงวิ ญ, ญญาณให้อยู่ในสวรรค์ได้ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ดวงวิญ ญ, ญาณจะได้รับการปลดปล่อยให้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมีมารดาตั้งครรภก็ ก็จะส่งกระแสของของใจนี้ไปครอบของมิตดวงวิญญาณนี้มีความสามารถที่จะเชื่อมวิญญาณเข้ากับร่างกายได้แล้วก็รอให้ร่างกายนี้คลอดออกมาจากท้องแม่ก่อนเว <c oughs> ลาคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆดังนั้นร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรง ร่างกายเป็นเพียงผู้รับคําสั่งรับใช้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์นี้ทําตามคําสั่งของคนขับรถคนขับรถสั่งให้รถยนต์วิ่งไปทิศไหนทางไหนรถยนต์ก็จะวิ่งไปตามคําสั่งของคนขับถ้าเกิดรถยนต์วิ่งไปประสบอุบัติเหตุไปสร้างความเสียหายทั้ง ให้แก่ชีวิตหรือทรัพย์สินผู้ที่จะรับโทษนี้ไม่ใช่รถยนต์เพราะเราก็รู้กันว่ารถยนต์นี้เขาเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้คนขับอีกิีผู้ที่จะต้องไปรับโทษของการไปทําให้รายการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินก็คือคนขับนี่ ใ, นใจเรานี่ก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ ใจเราสั่งให้ร่างกายเราพูดและทำอะไรต่างๆแต่ผู้ที่ผู้ที่รับผลของการพูดหรืของการกระทานี้คือใจไม่ใช่ร่างกายเช่นเวลาเราสั่งให้ร่างกายไปทำความดีเช่นวันนี้สั่งให้ร่างกายมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรม ร่างกายก็ไม่ได้รับอะไรจากการกระทำอันนี้เลยผู้ที่ได้รับนี้ก็คือใจอผู้ที่ได้รับก็คือใจใจก็จะได้รับความสุขทำบุญทาทานนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสวรรค์ให้กับใจยกระดับความเป็นมนุษย์ให้ขึ้นสู่ความเป็นเทพถ้าอยากจะเป็นเทพเป็นเทวดาก็ต้องทำบุญทาทาน เวลาทำบุญทาทานนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใจใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้พักกระเป๋าเงินออกมาหยิบเงินไปใส่ตู้บอยจากหรือทามสมัยนี้ก็มีวิธีการบรอยจากได้หลายรูปแบบผ่านทาง เ, เช็คของธน า, าคารก็ได้ผ่านทางการโอนเงินผ่านทางเครื่องมือถือก็ได้อันนี้แหะเป็น เป็นการทำบุญด้วยร่างกายแต่ผู้ที่ทำบุญจริงๆก็คือใจผู้ที่รับผลของบุญก็คือใจเวลาใจได้ทำบุญแล้วใจจะเกิดความรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจร่างกายเหมือนเดิมถ้าร่างกายหิวข้าวก็ยังหิวเหมือนเดิมอยู่ถ้าร่างกายอิ่มก็ยังอิ่มเหมือนเดิมอยู่ถ้าร่างถ้าร่างกายไม่สบายร่างกายก็ยังไม่สบายอยู่เหมือนเดิม ผลไม่ได้เกิดที่ร่างกายแต่อย่างใดแต่ผลนี้ไปเกิดที่ใจและผลที่ทำนี้มันจะไม่ได้หายไปทันทีทันใดมันจะเก็บสะสมไว้ในจิตใจเป็นเหมือนกับเป็นที่ฝากฝากฝากเงินในธนาคารหรือฝากหนี้ถ้าเราไปทำบาป ก, ก็เหมือนเราไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารธนาคารเขาก็จะเป็นเจ้าหนี้เรา เขาก็จะมาคอยทวงนี้จากเราถ้าเราทําบุญก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากในธนาคารธนาคารเขาก็จะมีบัญชีมียอดเงินฝากของเราเวลาที่เราต้องการที่จะเบิกเงินจากธนาคารเขาก็จะให้เราตามที่เราเบิกตามที่เรามีอยู่ได้ ใ, ใจของเรานี่เป็นทั้งธนาคารบุญและเป็นทั้งธนาคารบาปเวลาที่เราทํา บุญใจเราก็จะมีความสุขเวลาที่เราทำบาปใจเราก็จะมีความทุกข์มันจะสะสมอยู่ในใจของเราแล้วมันจะเป็นผู้ที่จะคอยส่งผลให้กับใจเราว่าใจของเรานี้สุขหรือทุกข์เนี่ยคนบางคนนี่มีความสุขใจมากกว่าความทุกข์ใจนี่แสดงว่าเขามีบุญสะสมไว้ในใจเขามากกว่ามีบาป คนบางคนนี้มีบาปมากกว่ามีความทุกข์ใจมากกว่ามีความสุขใจอันนี้ก็แสดงว่ามันเกิดจากบาปที่เขาทำไว้ในใจนี้มันมากกว่าบุญนั่นเองในเวลาที่ร่างกายตายไปนี่แหละจะเป็นเวลาที่บุญกับบาปนี้จะเป็นผู้ที่มาดึงให้ใจไปสู่สุขกติหรือไปสู่ทุกขกติ ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญที่สะสมไว้มีกําลังมากกว่าที่มากกว่าบาปที่ได้สะสมไว้บุญก็จะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ให้ไปเป็นเทพถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ใจไปเกิดในอบายขึ้นอยู่กับว่าทําบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าบาป ทำบาบด้วยความกลัวด้วยความหลงก็จะดึงให้ใจไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉนถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะดึงให้ใจไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำบาบด้วยความกลัวก็จะดึงใจให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวถ้าทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะดึงใจให้ไปเป็นดวงวิญญาณที่ รุมร้อนด้วยครับด้วยไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกนี่ะคือเรื่องของกฎแห่งกรรมผู้กระทาก็คือใจและผู้ที่จะรับผลผลของการกระทาก็คือใจไม่ใช่ร่างกายถ้าเรามาม า, มามองมาวัดผลของการทำบุญทำบาป ท, ที่ร่างกายและสิ่งที่ร่างกายสามารถจะหามาได้นี้เราก็จะ ผิดหวังได้เช่นคนบางคนคิดว่าถ้าทําบุญแล้วจะร่มรวยเงินทองจะไหลามาเทมาอันนี้มันไม่ได้เป็นไปตามตามความคิดทําบุญแล้วแทนที่จะรวยกลับจะจนมากขึ้นก็ได้เพราะเวลาทําบุญก็ต้องใช้เงินทําบุญกันเมื่อเอาเงินออกไปใช้ทําบุญน้ําเงินมันมันจะรวยขึ้นได้อย่างไรมันก็ต้องจนลง แต่คนเขาไม่เข้าใจเขากลับไปมองว่าะเป็นการลงทุนทําบุญวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แทงโหวยก็จะได้คืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดความเจริญทางร่างกายทางทรัพย์สินทางลาบยศสารเสริญนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการทําบุญหรือทำบาปโดยตรงแต่อย่างใด ทำบุญแล้วจะทำให้เราเจริญในลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่ใช่เป็นความจริงทำบาปแล้วจะทำให้เราเสื่อมในราบยศสรเสริญสุขบางมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้ร่างกายและราบยศสารเสริญสุขนี้จเจริญหรือเสื่อมมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่ไม่เกี่ยวกับการทำ ทำความดีหรือการกระทําความชั่วอย่าใดๆ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราไปวัดผลของบุญวัดผลของบาปอยู่ที่ราภยศชนะเสริญสูงว่าถ้าเราทําบุญเราจะต้องเจริญในรายกยศสนะเสริญสูงนี้ mm. เราก็จะอาจจะผิดหวังได้ mm. Mm. บางคนนี่ทําบาปแล้วแทนที่จะเสื่อมจากรายกยศชนะเสริญสูงกลับรวยยิ่งขึ้นกลับมีอํานาจ mm. มีมีตำแหน่งสูงขึ้นไปก็มี เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันอย่าไปจับแกะจับแพะมาชนแกะมันเรื่องของความเจริญทางโลกหรือเสื่อมทางโลกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างหนึ่งก็อยู่ที่ความขยันหรือความเกียดค้านถ้าขยันทำมาหากินขยันเก็บเงิ น, เ ก, เ, งนเก็บทองไว้โอกาสที่จะร่ํารวยมันก็มีแต่ถ้าคิดเกียจหาเงินหาทองขยันแต่ใช้เงินใช้ทองน ก็ไม่มีวันที่จะรวยได้มันก็จะมีแต่จนลงไปเรื่อยๆงนั้นขอให้เราอย่าไปวัดผลบุญผลบาปที่ความเจริญหรือความเสื่อมของทางด้านโลกธรร ม, มคือราบยศสะะเสริญสุข<ม>หรือความเจริญหรือความเสื่อมของน่างกาย<ม>คนเราคิดว่าทําบุญแล้วอายุจะยืนยาวนานสุขภาพจะแข็งแรงมันก็ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เพราะว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันก็มีสาเหตุของมันร่างกายบนคคลดูแลไม่ดีมันก็ทำให้สุขภาพไม่ดีได้หรือการบริโภคสิ่งต่างๆเข้าไปในร่างกายถ้าไม่รู้จักบริโภคสิ่งที่ทสะอาดที่ปลอดภัยไปบริโภคสิ่งที่มีมีโทษมันก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้นั้นอยู่ที่ เรื่องของการดูแลร่างกายไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการทําบุญหรือทำบาต ท, ที่จะทําให้ร่างกายนี้สุขหรือจเจริญแต่อย่างใดใการทําบุญทําบาสนี้เป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆทําบุญทําบาตจะทําให้จิตใจสุขหรือทุกจะทําให้จิตใจเจริญหรือเสือ่อมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเรา ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในภพต่างๆนี้ก็เราสามารถกำหนดการเวียนว่ายตายเกิดของเราให้อยู่ในภพที่ดีได้เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจเราไปเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ไม่ดีได้เพราะเรารู้เหตุของของการที่จะทำให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดในสุคติหรือเวียนว่ายใน ในทุกกติถ้าเราไม่อยากจะไปเวียนว่ายในทุกกติเราก็ละเว้นเหตุที่ทำให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกกติกันไปไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายกันเหตุนั้นก็คือการกระทาบาปนี่เองพระพุทธเจ้าถึงทรงสอนพระพุทธเจ้าทุกรูปทุกพระองค์ที่มาตัดจารุษทมตัดจารุกฎแห่งกรรมนี้ก็จะสอนคาสอนอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกัน เกี่ยวกับการกระทำทั้งนั้นก้อแรกก็ส่งสอนให้เราละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอนุสลรกายรือไปตกนรกถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้ไม่ทำบา เวลาตายไปมันก็ไม่มีบาปที่จะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดในอบายนั่นเองเหมือนคนถ้าเปรียบเทียบกับร่างกายคนที่ไม่ทำผิดกฎหมายรักษาเคารพกฎหมาย mm hmm. ก็ไม่มีไม่มีวันที่จะถูกเขาจับไปขังคุกขังตารางได้เข้าคุกเข้าตารางไ ด, งงงได้เพราะไม่มีเหตุอะไรที่จะมาดึงให้เขาดึงเราเข้าไปเข้าคุกเข้าตาราง mm hmm. นั้นใดถ้าเราไม่มีการกระทาบาป เราก็จะไม่มีวันที่เราจะต้องไปติดคุกตารางของอบายของทุกขติเราก็จะกลับมาถ้าเราไม่ได้ทำบาปแต่เราก็ไม่ได้ทำบุญเราก็จะตายไปเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะว่าบุญที่จะดึงให้เราไปสวรรค์ก็ไม่มีบาปที่จะดึงให้เราไปอบายก็ไม่มีเราก็ ถ้าไม่มีบาปไม่มีบุญหนึ่งไปสวรรค์หนึงไปอบายเราก็จะอยู่ที่คงกลางคงกลางก็คือพบของมนุษย์พอมนุษย์นี่อยู่คงกลางระหว่างสุขกติกับทุกขกติสุขกติก็คือพบของเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆทุกขกติก็คืออบายสี่ช่วงใดที่เราบุญกับบาปในใจเรามีกำลังพอกันเท่ากันช่วงนั้นใจเราก็จะอยู่ใน ในภบของมนุษย์เราก็จะมาเรารับร่างกายของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทําอะไรมาหาความสุขต่างๆจากจากกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรากิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆความอยากของเรานี่มันทําให้เรายัางต้องกลับมาหาความสุขจาก ภพต่างๆอยู่ภพนี้ก็มีแบ่งไว้สามภพกามาภพรูปภพและอรูปภพตัณหาความอยากก็มีสามแบบสามอย่างกามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหากามะตัณหาก็คือความอยากที่จะหาความสุขจากการเสดกามกามะก็คือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงเกิดลดโผฏฐัพพะ กามาพบนี้ก็จะเป็นพบที่อยู่ของผู้ที่เสพการผู้มีการมรรตฐานะผู้ที่มีการมรรตหาก็มีแบ่งไว้เป็นสองซีกซีของเทวดาตรงนี้เป็นผู้ที่เสพเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดที่ประณีตเพราะเกิดจากอํานาจของบุญที่ได้ทําไว้ส่วนพวกที่ไปอบายนี้ก็เป็นพวกที่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพชนิดหยากชนิดที่เป็นไปด้วยความทุกข์ ส่วนมนุษย์นี่เป็นพวกที่เสพกา ร, ร อ, ยอยู่ในระดับกลางๆไม่สุขมากไม่ทุกข์มากมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไป น, น, นี่คือการมาพเป็นพบที่อยู่ของเทวดาของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของของนรกของสัตว์นรกขึ้นอยู่กับบาปกบุญที่ทำกันไว้ แล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามาพบอยู่นี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีกามะทันหาอยู่ในใจถ้าไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบก็ต้องระ ง, งับกามะทันหาให้ได้พวกที่จะระ ง, งับกามะทันหาได้ส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ไปบวชกันเพราะเวลาไปบวชก็จะถือถือเนคคัมมะถือศีลในคคัมมะ ในขมมะก็คือการระ ง, งับการหาความสุขจากการมมกุลห้าจากรูปเสียงกลิ่นลดผลถ้าด้วยการรักษาศี้นแปดกันสิส้นแปดนี้มีครึ่งหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำบาปอีกครึ่งหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการไม่เสดการมการทําบาปคือฆ่าสารรักรัพย์ประพฤติฆ่าสา์รักทรัพย์รักก้ พูดปดเดินโรายาเมานี้ก็เป็นเหตุที่จะพาให้ไปรำบาปส่วนอีกสีข้อข้อที่ไม่อ บ, บ ร, รมจริยาศีลข้อสก็เปลี่ยนจากกามเองมาเป็นอ บ, บ ร, รัมจริยาจะไม่หาความสุขจากการร่วมเพศหลับนอนกับใครนะครับแม้กับสามีภรรยาก็จะไม่หาความสุขร่วมกันแล้วเ ล, เลือกวิธีหาความสุขจากการเสกการม คุณห้านี้แล้วก็ไม่เสพการว่าคุณหด้วยการรับประทานอาหารตามความอยากต่างๆให้รับประทานอาหารเป็นเวลารับประทานเพื่อเลี้ยงชีพเท่านั้นไม่ให้รับประทานเพื่อเสพสุขจากรสชาติของอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการดูมอาาและศพ บ, บันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนอย่างสุขอย่างสบายมากจนเกินไป ให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆมันก็จะมีความสุขก็อยากจะนอนไปเรื่อยๆการหลับนอนมากเกินไปก็จะดึงเอาเวลาอันมีค่าของการที่จะม า, ายกระดับจิตใจให้ออกจากกรมกามากรมมพนั่นเอง<ม>ผู้ที่ต้องการที่จะออกจากการมมาพบจึงจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาศินสินแปดขึ้นไปเป็นอย่างต่ํา ศีลแปดศีลสิศีลสองเป็นต้นศีลเหล่านี้เป็นศีลที่จะระงับจิตใจไม่ให้หาความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการหาความสุขเมื่อเราไม่เสพการมเราก็ต้องหาอะไรมาทดแทนสิ่งที่มาทดแทนการมาสุขก็คือสันติสุข ความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเป็นการการบำเพ็ญที่จะทำให้จิตใจในี้สงบเมื่อจิตสงบแล้วจิตก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติปรลังสุขขงังความสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่ ม, ไมีถ้าเรามีเวลาเราละับการเสด็จการมได้ถึงศีล8ดศีลสิสศีลสงสิบเจ็ได้ เราก็จะมีเวลาให้กับการภาวนามีการับการบำเพ็ญจิตตะภาวนาก็ต้องอาศาัยการเจริญสติเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิไปอย่างไรจิตก็จะไม่มีวันสงบได้จิตจะสงบก็ต้องมีสติเป็นผู้คอยกากับใจไม่ให้คิดปรุงแต่งนั่นเองความคิดปรุงแต่งตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้จิตใจไม่สามารถเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้ และสิ่งที่จะมาระ ง, งับความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดปรุงแต่งได้ก็คือสตินี่ mm hmm. การที่จะมีสติขึ้นมานี้สติแปลว่าการระลึกรู้การที่จะมีการระลึกรู้เพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. ก็จะต้องมีอารมณ์ที่เราเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. กรรมฐานนี่คืออารมณ์ที่เราจะใช้ใช้ผูกจิตให้ให้มีสติอยู่กับ อ, อารมณ์อย่างอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แล้วก็ให้จดจอ่อให้ผูกติดอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าจิตถูกบังคับให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เมื mm ่อ hmm. จิตไม่สามารถไปคิดได้อย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็จะนิ่งสงบขึ้นมา mm hmm. แขณะจิตนิ่งสงบล้วก็เรียกว่าจิตรวมจิตเข้าสู่ความสงบ mm hmm. พอจิตสงบนิ่งแล้ว mm hmm. ความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะผล่ขึ้นมา เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสกกรรมมคุณห้าเมือม่อเมื่อเมื่อสามารถมีความสุขในรูปแบบใหม่ได้ก็จะสามารถที่จะละการเสกความสุขทางการรมได้ทางการมทางตาหูจมูกนิ้นการทางรูปเสียงกลิ่นลดไดนะ้ก็จะเปลี่ยนภพชาติจากกรรที่เคยเวียนว่ายตายเกิดในกรรมมาพบก็จะมา เวียนว่ายตายเกิดในรูปะพบหรืออารูปะพบรูปะพบก็เกิดก็เกิดจากการที่สามารถทำใจให้สงบให้เข้าสู่รูปฌปาน4ี่ระดับได้ <hein? S 2> ก็จะเวียนว่ายตายก็จะหาความสุขจากรูปฌานไม่ต้องไปหาความสุขจากการมาคุณห <hein? S 2> ก็จะแทนที่จะใบเวียนว่ายตายเกิดในการมมาพบก็จะมาเวียนว่ายตายเกิดในรูปะพบแทน ถ้าได้อารูปฌานก so ็จะเข้าไปอยู่ในอรูปภพอรูปภพนี้ก็เป็นเป็นภพที่ละเอียดที่สุดเป็นภพที่มีความสุขมากที่สุดอรูปภพนี้มีความสุขมากกว่ารูปภพและรูปภพนี้ก็มีความสุขมากกว่าการมพภพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสามภพนี้ก็ยังอยู่ภายในภายใน ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเรียกว่าสังสารวัติเพราะว่าพบต่างๆที่ได้ได้เข้าไปถึงนั้นก็จะเป็นพบแบบที่อยู่แบบชั่วคราวเช่นพวกคนที่คนที่สามารถเข้ารูปประชานได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นรูปประพมอยู่ในรูปภปพคนที่เข้าเอารูปประชานได้เวลาน่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะไป อยู่ในอารูปภพเป็นอารูปภพแต่ภพอารูปภพหรืออรูปภพนี้ก็เป็นภพที่ชั่วคราวขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่ที่ ท, ทำให้จิตสงบ พ, พอสติหมดกำลังลงเวลาไปอยู่ในรูปภพหรืออารูปภพก็ไปเสพสุขของของความสงบของรูปฌานและอรูปฌานนี้พอกำลังที่ส่งให้ จิตสงบนั้นหมดกำลังลงคือสติอ่อนกำลังลงการมาตัญหาที่เคยถูกถูกใช ถ, กถูกถูกสติกดเอาไว้ถูกถูกศีลนิ่รคำวากาเอาไว้มันก็จะผลขึ้นมาใหม่ได้เมื่อมันการเกิยการมาตัญหาขึ้นมามันก็จะเดินให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกแต่พอมากลับเป็นมนุษย์ เคยเสดการมาแล้วรู้สึกว่ามันมันทุกข์มากกว่าเป็นสุขแล้วเคยเสดรูปฌานก็จะกลับมาหาความสุขแบบที่เคยหาได้คือรูปฌานคนที่เคยเข้ารูปฌานได้เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะกลับมาเป็นนักบวชกันรูปฌานหรือรูปฌานเพราะเขาไม่มีความสุขจากการได้เสดกามเพราะเขาได้เขาเห็นว่ารูปฌานนี้ มีความสุขมากกว่าอารู ป, ปรชามีความสุขมากกว่าเขาก็จะกลับมาเป็นนักบวชกันแล้วก็จะเข้ า, ขาสู่รู ป, ปรชาเข้าสู่อรูปรชาสะสมกำลังของรูปรชาแลอรูปรชาไว้ในจิตใจของตนเองพอ่างกายตายไปเขาก็จะกลับไปอยู่ในรูปภพอรูปภพใหม่แต่เขาก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเขาก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายพบกับความทุกข์ของร่างกาย<ม>ไปทุกพพทุกชาติมไม่มีวันสิ้นสุดลง<ม>ถ้าอยากที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอะไร<ม>นี้ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างพระนิพพานขึ้นมาต้องสร้างดวงจิตให้เข้าสู่พระนิพพานให้ได้ การที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้นี้จาเป็นที่จะต้องมีผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ทางที่จะนำให้ดวงวิญญาณออกจากกายภพออกจากกรมภพออกจากรูปภพออกจากอารูปร์ภพพระพุทธเจ้านี้ท่านก็เคยเสพกรมมาก่อนตอนนี้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็เสพกามมาคุณหาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่าง มีปราษาทสามฤ ด, ดูมีบริสัทบริวารคอยรับใช้คอยป้อนความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธชนิดต่างๆให้แต่พอพระ อ, องค์ทรงไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะรู้ว่าความสุขทางกายนี้ต้องมีต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ถ้าร่างกายแข็งแรงร่างกายมีกำลังวังชาแล้วก็มีทรัพย์สินเงินทองก็จะสามารถหาความสุขจากการมาคุณห้าได้แต่ถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปการที่จะหาความสุขจากการมาคุณห้าก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ฝนตกนะถ้าอยากจะขยับจ้าเป็นขยับก็ขยับถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งต่อไป อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบงังคับได้ถ้านั่งสมาธิต่อไปได้ก็นั่งสมาธิไปทางทางก่อนก็ได้เพรผลผลก็ไม่ค่อยตัดตกแบบตลอดเวลาตกเดียวเดียวหรือว่าอาจจะหยุดลงก็ได้ยังตอนนี้ก็ต้องขออภัยไม่สามารถที่จะพูดธรรมะ ต, ต่อไปเพราะว่า คนฟังก็จะไม่ค่อยอยู่ในสมาธิแล้วตอนนี้คนฟังตอนนี้ก็ต้องอยู่กับการขยับขยายหาที่นั่งที่ปลอดจากฝนตอนนี้ฝนก็ไปแล้วตอนนั่งต่อไปพระอุตตเจ้า ก, ก็เคยเสยกกรรมมาก่อนเคยเวีนว่ายตายเกิดในการมมาพบมาก่อน แล้วพ อ, อ, อพ่อออกบวชก็ไปเสบรูปประชาญเสบนรูปประชาญท่านก็จะอยู่ในรูปภพเรือกรูปภพแต่ท่านก็รู้ว่ามันยังทําให้ท่านต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะท่านยังมีความอยากในในรูปประชาญในรูปประชาญอยู่ถ้าพง์จึงอยากจะรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดการที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือต้องละ ความอยากในการมาคุณห้ละไม่เสกการมาคุณหก็จะไม่เวียนว่าตายเกิดในการมาพบแล้วก็ต้องไม่เสกรูปประชานและอรูปประชานแต่เบื้องต้นนี้ต้องอาศัยรูปประชานหรืออรูปประชาเนเป็นเครื่องมือในการละการมาตัญหาก่อนเพราะว่าเราต้องดวงวิญญาณนึกจิตใจนี้ต้องอยู่อย่างมีความสุขถ้าไม่มีความสุขจากการมาคุณห้าก็ต้องมีอะไรมาทดแทน สิ่งที่มาทดแทนก็คือความสุขจากความสงบของรูปฌปานหรืออรูปฌปานนีจ่จึงจึงจาเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังมีการมาทันหาอยู่ถ้าอยากจะเลิกการมาทัญหาก็ต้องเปลี่ยนวิธีเสพความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสมาเสพความสงบของรูปฌปานหรืออรูปฌปานพอเราได้รูปฌานหรือะรูปฌานแล้ว เราก็จะสามารถที่จะเลิกเศษกรรมคุณห้าได้เลิกเศษกรรมได้เราก็จะออกจากการรมมาพบได้ถึงแม้ว่าเราเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไม่มาเศษกรรมพอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาฝึกเราก็จะมานั่งสมาธิเข้ารูปประชานเนื้อรูปประชานเป็นนักบวชกันไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้รูปประชานเนื้อรูปประชานแล้วเราอยากที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในรูปประพบเนื้อรูปประพบอีกต่อไป เราก็ต้องตัดตัดความอยากเสพลูปประชานหรืออลูปประชานไปให้ได้การที่เราจะตัดได้เราก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจนี้มาเวียนว่ายตายเกิดในพบทั้งสารนี้ก็คือตัณหาความอยากนั่นเองความอยากเสพการก็จะพาให้กลับมาเกิดในการมาพบความอยากจะเสพลูปประชาก็จะพามา ให้เกิดในรูปภพความอยากที่จะเสพออารูปฌานก็จะพาให้จิตกลับมาเกิดในอารูปภพไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้เลิกความอยากได้ก็ต้องให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการมคุณก็ดีรูปฌานก็ดีอารูปฌานก็ดีล้วนเป็นตายลักษณ์เนั้นล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวให้ความสุขได้แบบชั่วข่าวไม่สามารถให้ความสุขแบบยั่งยืนได้ พราะฌานก็เสื่อมได้การมกุลห้าก็เสื่มได้<ม>แล้วก็ถ้ายังติดอยู่มันก็จะทําทให้ใจทุกข์ต้องคอยหาการมคุณห้ามาเสพต้องคอยหารูปฌานมาเสพหรือต้องคอยหารูปฌานมาเสพอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าอยากจะออกจากเวีนเวียนว่ายตายเกิดต้องเลิกเสพการมคุลหเลิกเสพรูปฌานเลิกเสพว่ารูปฌาน ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้วางเฉยไม่ให้ไปอยากเวลาเกิดความอยากจะเสดการมก็ไม่เสดเวลาเกิดความอยากจะเข้าฌานก็ไม่เข้าเวลาเกิดความอยากจะเข้ารูปฌานก็ไม่เข้าพอหยุดความอยากเหล่านี้ได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังลงมันก็จะไม่ผล่ขึ้นมาในใจใจที่ไม่มีความอยากนี้กลับเป็นใจที่มีความสุขที่แท้จริง ก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมใจที่ได้ละปัญหาความอยากทั้งสามนี้ไปแล้วนี้เราเรียกว่านิพานนี่เองนิบานังปรมังสุขังใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งเพราะว่าตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบสร้างความไม่สุขให้กับใจก็คือความอยากนั่นเองลองสังเกตดูเวลาที่เราไม่มีความอยากนี้เราจะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับอะไร พอ เ, เกิดความอยากขึ้นมานี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องไปทำอะไรตามความอยากให้ได้ถ้าไม่ไม่ทำก็จะเกิดอาการหยุดหิดเกิดอาการนำจานนคาญใจขึ้นมาทันทีเราต้องใช้ปัญญาคือถ้าเราต้องเห็นโทษของความอยากว่าเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ใจที่นิ่งสงบก็จะกลายเป็นใจที่วุ่นวายขึ้นมาทันทีและสิ่งที่ใจอยากจะได้มามันก็เป็นของชั่วข่าวเป็นความสุขชั่วข่าว เวลาได้มาก็จะได้ความสุขได้ความสงบใจชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ได้มามันก็จะเปลี่ยนไปเรือหมดไปหรือบางทีใจก็เบื่อกับสิ่งที่จำเจนเคยได้อะไรมาเคยอยู่กับมันไปพออยู่ไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ดูหน้ามีความสุขมีความสุขดีแต่พออยู่ไปเรื่อยๆความชินชาเกิดขึ้นความสุขที่เคยได้จากสิ่งนั้นก็กลายเป็นความเบื่อไปก็ได้ อันนี้คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ซ่ไม่สามารถให้ความสุขแบบจีรังถาวรได้ให้ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วประเดียวประดาต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นตรัยรักไม่ว่าจะเป็นกา ร, รมคุณห้ากด็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปประชานก็ดีอรูปประชานก็ดีล้วนเป็นตรัยรักตรัยรักก็คือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้น เวลามันเสือ่อมเวลามันเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาท่านนี้คือปัญญาที่พุเจ้าได้ทรงตัดสูุคืออริยสัจ ส, สี่และตายรักที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีใครเห็นตายรักไม่มีเห็นอริยสัจ ส, สี่ก็จะไม่สามารถเห็นโทษของกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัญหา ตัวที่พาให้สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้แต่พอเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาภาวะตัณหากรรมตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้เสียจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นนเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่เราสั่งให้มันเครื่อนให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้พอเห็นตายรักเห็นอริยสัจสีเราก็จะหยุดความอยากได้ความอยากที่เคยมีในใจมันก็จะหายไปเมื่อเราไม่ทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่กลับมาชวนเราไปทําอะไรต่อไปเอไปใจเราก็จะว่างจากความอยากพอใจว่างจากความอยากใจก็จะสงบสุขตลอดเวลาความสุขสงบตลอดเวลาอันนี้เราเรียกว่าปรามังสุถัง นิบานังปรมังสุขัง<ม>นิพพานก็คือใจที่ได้รับการชำระความอยาต่างๆหมดสิน้นไปจากใจด้วยอํานาจของปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดชั่วนี<ม>่นี่แหละก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่กํากับดูแลจิตใจของพวกเรา<ม>ให้เจริญหรือให้เสื่อมให้ทุกข์หรือให้เสื่อให้ให้ทุกข์หรือให้สุขก็เหล่านี้อยู่ที่การกระทําของเรา พระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์เวลามาตัดทรลุแล้วก็จะสอนเหมือนกันทุกๆพระ อ, องค์พกะสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมโดอให้เราละา ก, การกระทําบาปให้เราทําแต่กรรมดีและให้เรามาซักพ่อจิตใจชําระความอยากที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปด้วยอํานาจของปัญญาที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดทะลุคืออริยสัจ ส, สี่และไตรลักถ้าเราสามารถปฏิบัติตามสามข้อนี้ได้ ใจของเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าสู่ความสงบสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรของพระทิพย์พานได้ต่อไปการแสดงทำสาหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติยุจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโยธาเมนิชติอาระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภวัตวันตรายาโยสุขีทีขายุโกผวะอาพิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจตารธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่ชวงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุดเ mm hmm. พราะหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่มีไม่มีเวลาหรือไ ม, ม่สะดวกเพราะมีเรื่องอย่างอื่นที่จะต้องจัดการต่อไปฉังนั้นถ้าอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ทาง Facebook 288 YouTube พาจารย์สุชาติ435 YouTube ดร V 48วิทยุออนไลน์16 Clubhouse 4หน้ากุฏิ178รวม969ค่ ะ, ะมีคําถามก็ได้เลยมีคําถามฝากถาม2ข้อค่ะข้อแรก พอได้เลื่อนมาเป็นหัวหน้างานมีหน้าที่บริการและพัฒนางานซึ่งทําให้ลูกน้องต้องทํางานมากขึ้นจากงานที่ต้องพัฒนาลูกน้องจึงไม่พอใจเราเองมีความตั้งใจจะพัฒนางานที่ดีขึ้นอีกอย่างหัวหน้างานเราก็มีความคาดหวังเป้าหมายงานเราอยากทําแต่ลูกน้องไม่อยากทําเราก็ไม่ชอบใช้งานใครทําได้ก็ทําเองคิดว่าทําเพื่อเสื่อมรวมแต่ก็รู้สึกเหนื่อยไม่มีความสุขบางทีก็อยากลาออกเพราะเราไม่เดือดร้อนไม่ทําตรงนี้ก็ได้ เราออกแล้วเรื่องก็จบแต่บางทีก็คิดว่าไม่ควรหนีปัญหาต้องอยู่ให้ได้คิดว่าเป็นกรรมเราควรแนวคิดอย่างไรกับปัญหานี้คะเราก็เจอปัญหานี้ตอนที่เราทํางานเราเป็นผู้จัดจา ก, การเป็นลูกจ้างของเจ้าของร้าน <c oughs> แล้วเราก็ต้องมาคอยควบคุมบังคับลูกน้องให้ขยันทํางานลูกน้องก็ไม่ชอบเราเจ้านายก็ไม่ชอบเราเพราะเราทําไม่เต็มไม่เข้าเป้าที่เขาต้องการ อะไรเราก็เลยลาออกดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่ามีสาเหตุที่ออกมาเพราะอย่างเงี้ยโลกมันเป็นความทุกข์มันมีแต่เรื่องให้เราต้องทุกอยู่เรื่อยๆช่มานั่งสมาธิทาใจให้สงบไม่ได้ดีกว่าได้เงินเดือนไม่กี่ตังค์ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เงินเงินเป็นล้านก็ซื้อไม่ได้นล้วเราเลยตัดสินใจเอาเวลามาหาความสุขทางใจเดีวนั่งสมาธิก็เลยลาออกจากงานไป ข้อที่สองงานบริหารนี้มีภาระมากกว่าเดิมและเป็นงานที่ไม่จบต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดทำให้จิตใจไม่สงบเราควรปรับใจอย่างไรคะท่านอาจคำปราบข้อที่หนึ่งก <laughs> ็ไว่าถ้ายัางต้องอยู่ก็อยู่ไปก็ต้องทำใจทำเท่าที่เราทำได้ทำทำไปตาม ก, กำลังทำไปด้วยเหตุผลและทำด้วยความเมตตาอย่าไปเคี่ยวเข็นอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาต้อง เดือดร้อนจากการกระทําของเราเรามีหน้าที่บอกเขาก็บอกเขาไปเขาจะทำตามหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาไปไถ้าไม่ไม่สามารถที่จะทำตามกฎกติกาได้ก็ต้องบอกเขาลงหน้าว่าจะต้องให้เขาย้ายงานไปเพราะนี้คือเรื่องของทางโลกเขามองที่ผลประโยชน์เป็นหลักเขาไม่ได้มองที่จิตใจของคนดังนั้นถ้าเราเราต้องเรือราว่าเราจะผลประโยชน์หรือเราจะเรื่องจิตใจ เรื่องจิตใ จ, จเราก็ต้องละทางโลกไปอยู่ทางโลกก็มีแต่เรื่องผลรปโยู์เป็นหลักคำถามจากทาง YouTube คนนิ่มวินค่ะ ขณะเจริญภาวนาหนูตั้งเป้าหมายให้ไปถึงอัปนาสมาธิเคยเรียนถามพระอาจารย์ตั้งแต่ธรรมะบนเขาว่าสภาวะที่หนูเห็นตอนฝึกสมาธิคือสภาวะตกกลุมตกบ่ออปนาสมาธิใช่หรือไม่พระอาจารย์ตอบว่าใช่แต่ยังเพียงไม่พอให้ฝึกปฏิบัติบ่กว่านี้ได้อยู่ในสภาวะตกกลุมตกบ่อให้นานกว่านี้แล้วหนูก็เพียนภาวนาแต่ไม่ได้พบสภาวะตกกลุมตกบ่ออัปนาสมาธินั้นอีกเลยหนูทําผิดตรงที่มีความอยากได้ มาสภาวะตกหลุมตกบ่อนั้นคือมีความโลภเกิดขึ้นในใจใช่หรือไม่คะแล้วหนูควรจะปรับปรุงแก้ไขภาวนาต่อไปอย่างไรดีคะคือเวลาทําสมาธินี้ต้องตั้งสติอย่าไปตั้งความอยากอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าจะต้องรวมจิตจะต้องสงบเพอเราพอไปตั้งอย่างนั้นเวลานั่งสมาธิเราก็จะไปนั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะสงบสักทีเมื่อไหร่จะสงบสักทีแทนนี้ยังมีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธ หรือมีสติอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่อยู่ถ้าไม่มีสติอยู่กับกรรมฐานรูปใดรูปหนึ่งแบบใดแบบหนึ่งมันไม่มีมันไม่มีทางที่จะรวมได้จิตจิตจะรวมต้องมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธอย่าไปสนใจว่าจะรวมหรือไม่รวมอย่าไปคาดอย่าไปหวังพอพอพอคาดพอหวังป้าเมื่อมันก็ไม่ได้ภาวนาละมันก็ไม่มีสติอยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับลมละ ก็อยู่กับความหวังนะไปอยู่กับผลนะผลไม่เกิดแบบนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่เกิดแต่ถ้าอยู่กับเหตุคือสติอยู่กับพุโทโธ<ม>อยู่กับลมหายใจรับประกรันได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะสงบมันก็จะรวมได้ฉั้นกลับมาที่พุโทโธกลับมาที่สติ<ม>พุทธานุสติกับพุโทโธพุโทโธอานาปนาสติก็ดูลมหายใจเขาเท่านั้นนหะแล้วผลมันจะจะตามมาอย่างแน่นอน แต่ไปนั่งคิดว่าคราวที่แล้วจิตรวมคราวนี้ต้องขอให้มันรวมอีกนั่งขอไปจนวันตายมันก็ไม่มีวันที่จะรวมได้คำถามจากคุณอัชลาค่ะพระโสดาบันมีอะไรเสื่อมได้มั้งคะมีพลาดอะไรได้มั้งคะอ๋อต้องเป็นเองดีกว่าถึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน <c oughs> คำถามจากคุณโกล จิตที่ได้เห็นคนอื่นทําดีแล้วรู้สึกตื้นตันมีปิติน้ําตาซึมๆนั้นคือจิตนี้คือการมราคะใช่ไหมครับถ้าใช่จะแก้ไขด้วยธรรมะข้อใดหรือใช้วิธีวิปัสสนาใดไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําๆอย่างไรครับอ๋อมันเป็นปิติเป็นความสุขไม่ใช่การมไม่ไม่ได้เกิดจากการมราคะแต่อย่างใดมันเกิดจากการเห็นที่สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้จิตใจมีความสุขไปด้วย ไม่ต้องไปคอยกาจัดมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องกังวลแต่อย่าไปติดมันนึกว่กันบางทีคราวหน้าเห็นแล้วไม่เกิดปิติ ก, ก็อย่าไปอย่าไปทุกข์ขึ้นมาบางทีมันก็อาจะจะเกิดความประทับใจบางครั้งมันก็จะรู้สึกเฉยเฉยก็ได้แต่ไม่เป็นปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องของจิตใจที่มีปฏิกิริยากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเอง คำถามจากทางดร V วชาแนค่ะของคุณไบ ย, ยกสิ่งที่ลูกเข้าใจจากการที่ลูกปฏิบัติสมาธิจนถึงสภาวะของอุเบกขาคือเวลาที่ใช้ชีวิตระหว่างวันใจก็จะวางเฉยได้กับหลายเรื่องราวที่เจอระหว่างวันที่ดำเงชีวิตและอีกหนึ่งสิ่งคือใช้จิตกำกับอยู่กับลมไม่ตามไปดูไม่ตามไปดูสิ่งอื่นคือเพื่อให้เราดูจิต ขัดเกล้าที่จิตตนใช่หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องการปฏิบัติทั้งหมดนั่ครับเพื่อมาตกจิตของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ให้ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าเขามาแล้วเดี๋ยวเ้าก็ไปเราไม่ได้และจากเขาหรอกนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่ายุ่งแล้วมันจะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมา พยาฝึกจิตฝ่กิจิตฝึกใจให้ปล่อยวางด้วยโอเบคาด้วยสติถ้ามีสติจิตก็จะว่างจะเย็นจะจะสงบจะมีโอเบคาพร้จิตก็จะไม่หิวกับอะไรด้วยคำถามจากทางเฟ e บุ o k ค่ะคุณพุทธมนต์คาถาร่มรวยต่างๆมีผลจริงหรือเปล่าครับออถ้าจริงมันป่านนี้เป็นเศรษฐีกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ต้องทามากินอ่ะมานั่งสวดอย่างเดียวก็พอ คำถามจากคุณชาญยุทธค่ะชาญกับสมาธิอันเดียวกันหรือเปล่าครับอันเดียวกันฮะคือชานก็คือความสงบสมาธิก็คือความสงบเพียงแต่ว่าชาญนี้แบ่งเป็นขั้นขั้นความสงบมีหลายระดับระดับที่หนึ่งระดับที่2เหมือนตึกอะตึกมันมีหลายชั้นใช่ไหมเวลาเราขึ้นลิฟต์แล้วก็กดชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมันก็ขึ้นไปตามชั้นอย่างต่เวลานั่งสมาธิจิตก็สงบเป็นขั้นขั้นไปขั้นแรกก็เรียกรูปรชานขั้นที่หนึ่ง พอสงบลงไปอนี้ก็เป็นฌานขั้นที่สองไปถึงฌานขั้น8ดมี8ดขั้นด้วยกันฌานความสงบนี้8ดขั้นด้วยกันคําถามจากคุณอิ ล, ลี่ค่ะคนทําชั่วที่คนเห็นทั่วไปเห็นชัดเป็นประจักษ์ทำไมตัวเขาและครอบครัวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดจนมีคนพูดว่ากรรมมีไว้หลอกคนโง่พระอาจารย์กรุณาแก้ต่างให้เข้าใจด้วยเจ้าค่ะ คนชวเน iro, มันรวยเพราะมันใช้ความชัว่วมันถึงรวยการมันไม่ใช่ไม่ใช้ความชัว่วมันรวยไม่ได้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรวยความจนมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องการทําความดีหรือทําความชัว่วมันคนละ เ, เรื่องกันทําบุญทําบาปนี่มันให้ให้ใจสุขหรือทุกข์ให้ใจเจริญหรือเสื่อมไม่ได้ให้ลาบยศสรรเสเริญเจริญหรือเสื่อมแต่อย่างใดเราต้องแยกออกกันว่าเป็นเรื่องคนละเรื่องกันเรื่องความรวยนี่มันอยู่ รวยได้หลายวิธีรวยด้วยวิธีโกงก็ได้ทําความชั่วก็ได้ทําความดีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แต่โอกาสแล้วแต่จังหวะของการกระทาคนที่ทําความดีแล้วร่ำรวยก็มีเยอะแยะไปคนที่ทําชั่วแล้วรวยก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การทำทำชั่วหรือทําดีแล้วจะทําทให้เราเจริญให้เรารวยด้วยจนแต่อย่างใดต้องรู้จักแยกแยะ เรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องของจิตใจทําชั่วนี่มันไปเป็นเปรต แ, แน่นอนอย่างเงี้ยไปเป็นเดรัจฉานแน่นอนทําบุญก็ไปไปเป็นเทวดาแน่นอนอันนี้แหละคือความสุขหรือความความทุกข์ความเจริญด้วยความเสื่อมที่เกิดจากการทําบุญหรือทําบาปคาถามจากคุณเกตมณีค่ะขอสอบถามปัญหาในการนั่งสมาธิจิตไม่สงบเห็นแต่ความคิดมีวิธีแก้อย่างไรคะเพราะเราไม่มีกรรมฐานไม่มีสติอยู่กรรมฐาน ต้องฝึกสติให้มีอยู่กับกรรมฐานคอยกำกับใจคอยควบคุมใจและไม่ให้มาทำแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะถ้ามาทำตอนที่นั่งสมาธิมันมันสายเกินไปเหมนมันสติมันไม่มีกําลังพอที่จะทำให้จิตสงบได้ต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟั น, นแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าฝึกแบบนี้ต่อไปใจมันจะอยู่กับพุโทโธไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมานั่งสมาธิมันก็จะอยู่กับพุโทโธต่อแล้วอยู่ได้ประมาณหนาทีมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้คําถามจากคุณพิมพ์ณยา ขอความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิก็ท่องพุโทโธแต่ทำไมในหัวเกิดเสียงบทสวดคาถาชินบรรชอนบ้างพาหูบ้างดังกล้องตลอดเกิดจากอะไรเจ้าคะมันเป็นสัญญารมเป็นสิ่งที่เราเคยท่องเคยจำมาไว้ก่อนมันก็อยู่ในจิตของเราที่มันโผล่ขึ้นมาได้แต่เราไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับมันความสาคัญให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าเราเกาะติดกับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไป สัญญารมต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมามันก็จะจางหายไปคจิตก็จะ<ม>ว่างจิตก็จะสงบนี่ตอนเบื้องต้นนี้จิตมันยังไม่มีสติน้อยมันเลยควบคุมสัญญารมไม่ได้สัญญารมมันก็เลยโผล่ขึ้นมามีเรื่องราวต่างๆในอดีตโผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดในเวลานั่งสมาธิ mm hmm. ไม่ต้องไปให้ความสำคัญไม่ต้องให้สนใจต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ก่อนที่จะมานั่งถ้าสติ mm hmm. แบบนี้นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ เรามีเวลาฝึกสติได้ทั้งวันเราไม่รู้กันเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ไปหรือใช้การเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นเรากําลังเดินก็ให้เฝ้าดูการเดินของร่างกายไปกําลังรับประทานอาหารก็เฝ้าดูการรับประทานอาหารไปการอาบน้ําแต่งตัวก็ดูอาบน้าไปแต่งตัวไปก็ดูไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าดูแล้วมันยังไปคิดก็ใช้พุโทโธช่วยดึงกลัมกบมา อ, อีกอันหนึ่งก็ได้ทําอะไรก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้ามีพุโทโธพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเรามานั่งสมาธิมันก็จะทําให้นั่งได้สงบได้เร็วได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะมานั่งสมาธิถึงจะได้ผลแต่ถ้ามานั่งม า, มาฝึกสติตอนที่เริ่มนั่งสมาธินั่งไปจนมันตายก็ไม่มีวันได้ผล เราจึงต้องมีวันพระกันไงวันพระนี่เป็นวันที่พูะเจ้าบอกให้เราหยุดการทำงานต่างๆให้เอาเวลามาเจริญสติทั้งวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้เจริญสติไปควบคู่ไปกับการทำกิจต่างๆแต่ถ้าเป็นวันพระวันที่เราไม่ต้องทำงานเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเราก็ทำแต่ธุระที่จำเป็นเช่นกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้า กินอาหารพอเราเสร็จจากภารกิจที่จําเป็นเราก็มานั่งสมาธิต่อได้เลยถ้าเรามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอันนี้จะเห็นผลได้เร็วได้มากด้วยแต่ถ้าเรามานั่งที่วันละครึ่งชั่วโมงวันละ15นาทีนี้นั่งไปจาวันตายเถอะมอนเข้าไปไม่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะว่ากําลังมันไม่พอเหมือนกับเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมันจะขึ้นขึ้นสู่ท้องฟ้าได้มันต้องมีรันเวยาว ถ้าเรามีสั้นๆนี่มันวิ่งมาถึงปลายรันเวย์ก็ต้องหยุดแล้วกําลังส่งไม่พอแต่ถ้ามีรันเวย์ที่ย า, ยาวๆมันก็สามารถที่จะวิ่งเพิ่มเพิ่ ม, มความเร็วของเครื่องบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีกําลังส่งที่จะส่งให้ขึ้นไปในท้องฟ้าได้ชัน้นใดการฝึกสติทั้งวันนี้ก็เป็นเหมือนรันเวย์ เ, ยเราต้องมีเวลาให้กับการฝึกสติให้มากๆถ้าเรามีเวลาให้มากกับการฝึกสติเป็โอกาสที่จะส่งใจให้ขึ้นสู่ ความสงบนี้มันก็จะมีมากมีง่ายงั้นอย่ามองข้ามสติเป็ น, นั่นค่ะถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิต้องฝึกสติมาให้มากมากก่อนก่อนที่เราจะมานั่งบทวิญญาณค้นถา ม, ม, ามอเอนค่ะโอย่นั่งรอสักแป๊บนึงเผื่อมีใครกําลังพิมพ์ข้อความอยู่ผู้ที่อยู่ที่นี่ถ้าอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยนะเพราะเดี๋ยวเลิกเราจะเข้ามาขอครับมาขอพูดขอคุยจะไม่สะดวก พอหนึ่งเสียงมันค่อยต้องต้องออกเสียงเสียงดังนี่มีเสียงไมโครโฟนอะไรไม่ต้องพูดไม่ต้องออกแรงมากแต่เวลาคุยที่ไม่มีไมโครโฟนนี่มันต้องใช้เสียงมากมันเจะเหนื่อยเพราะมันก็พูดมาเกือบชั่วโมงกว่าแนละ้วมันก็นการปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำไม่นึกอยากจะทาก็ไม่ทาถ้าทำอย่างนี้มันไม่ไม่ไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าได้ มันต้องมีตารางเวลาของการปฏิบัติเ mm hmm. พระเจ้ากําหนดตารางเวลาให้กับชาวพุทธแล้วว่าอาทิตย์หนึ่งต้องมีหนึ่งวันกับหนึ่งคืนที่เราให้มาใช้กับการปฏิบัติจิตตภาวนา mm hmm. คือวันพระนี่แหละเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำอาหากินมีเวลาว่างจะได้ใช้วันพระนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมา mm hmm. ถ้ามีการทําต่ออย่างต่อเนื่องทุกวันพระไปเรื่อย ผมมันจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว ส, สมาธิขั้นต้นก็อาจจะเป็นธันิกะจิตรวมช่วกช่วหนึ่งขณะแบบแบบฟ้าแลบหรืองูแลบลิ้ น, แ, นแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนั้นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจมันจะโดนบันดาลให้ใจเหล่านี้มีศรัทธามีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราอาจจะเพิ่มวันวันพระเป็นสองวันก็ได้ เช่นเราทํางานเรามีวันหยุดสองวันก็เอาวันหยุดสองวันนี้มาเป็นวันพระถ้ามันยิ่งดีใหญ่ต่อไปเราก็ลดการทํางานลงเพราะเมื่อเรามีความสุขทางใจแล้วเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเมื่อไม่ใช้เงินใช้ทองมันก็ไม่ต้องหาเงินหาทองมาให้เสียเวลาเปล่าๆที่เราหาเงินกันมานี้เพื่อเพื่อที่จะได้เอาเงินนี้ไปซื้อความสุขต่างๆเท่านั้นเอง แต่พอเรามีความสุขจากความสงบแล้วมันไม่หิวกับความสุขจากการซื้อข้าวซื้อของไม่มีความหิวกับจากการจะหาความสุขจากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะไปหาความสงบมากกว่ามันก็จะลดการทํางานลงไปเรื่อยๆถ้าถ้าทํางาน ถ้าลดการทำงานไม่ได้ก็ลาออกจากงานแล้วเปลี่ยนงานทำมนทงานอาชีพอิสระขายประกันหรือขายสบู่ไปก็ได้วันไหนอยากจะมีเงินก็ไ ป, ไปขายวันไหนไม่อยากจะต้องมีเงินแล้วก็ไม่ต้องไปขายต่อไปก็จะปฏิบัติได้ทุกวันต่อไปก็จะไปบวชชีบวชพระอย่างแน่นอนอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติทุกคนไม่มีใครมาเริ่มต้นแล้วมาบวชทันทีหรอก มันก็ต้องมีขั้นมีตอนกันเพราะว่าจิตของเรามันก็เหมือนกับเครื่องบินน่ะมันต้องมีรันเวให้มันวิ่งมีเวมีเวลาให้มันเจริญสติถ้ามีเวลาให้เจริญสติมากจิตก็จะสงบมากจิตสงบมากจิตก็มีความสุขมากจิตก็ไม่หิวกับความสุขทางลาบยศสารเสลมมีไหมคำถามมีค่ะ คุณทาชาไม่ได้ทุกเพราะคนอื่นไม่ได้ทุกเพราะตัณหาแต่ทุกเพราะกิเลสทางใจควรแก้ปัญหาวิธีไหนเจ้าคะก็กิเลสทางใจก็คือตัณหาเนตัณหาก็คือความอยากอยากให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราก็ทุก อ, อยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทําให้เราเราก็ทุกนั่นอย่าไปอยากพระเจ้าสอนให้เราใช้สันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะด่าเราก็ยินดีเขาจะชมเราก็ยินดี ถ้าอย่างนี้รับประกันได้ไม่มีวันที่จะทุกข์กับใครคำถามจากคุณเอนโดการฝึกสมาธิเบื้องต้นกำหนดพุดโทโธไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโดยไม่ต้องสนอะไรสนแค่พุโทโธถูกต้องให้อยู่กับพุโทโธเป็นคำเดียวนี่แหละไม่ต้องไปสนใจอะไรอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปตา่างรู้กลับมาที่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณพุทธมน์ดูลมเป็นเครื่องอยู่แต่จิตก็แทกข้องพุทโธทด้วยเกือบทุกครั้งขอวิธีแก้ด้วยครับคือการดูลมนี้ควรจะดูตอนที่นั่งสมาธิเะนั้นเพราะลมเป็นของละเอียดดูได้ยากถ้าถ้าจ ะ, จะอยากจ ะ, จ ะ, จะเจริญสติใช้วิธีอื่นเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิใช้ดูร่างกายก็ได้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูการกระทาของร่างกายแทนหรือว่าให้ใช้คำปฏิกรรมพุทโธพุทโธไปจะดีกว่า แต่ดูลมได้ก็ต่อช่วงที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเองแต่ถ้าสติเรามีกําลังไม่มากพอ mm hmm. ก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาแทรกเยอะแยะไปหมดทาให้การดูลมได้ยากกว่ายังถ้ายังมีเรื่องราวเข้ามาแทรกมากๆ ก, ก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปดีกว่าคํถาถามจากคุณแอมมี่โซนกลับขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยให้หลักธรรมในการดูแลลูกวัยรุ่นหัวร้อนเจ้าค่ะก็เลี้ยงเหมือนเลีเ้ยงหมาเนะี่ย เพื่อนเราจะได้ไม่ทุกก็ต้องกล้าตีมันบ้างหาไม่ดีเราก็ตีมันบ้างสอนมันบ้างเรอไม่ได้ตีด้วยความโกรธเกลียดทารุณกรรมอะไรต่อย่างไรตีเพื่อสั่งสอนคนบางคนนี้ถ้าไม่ไม่เจ็บตัวมันจะไม่จำเลยพอให้มันเจ็บตัวหน่อยมันจะได้จําคราวหน้ามันจะได้ไม่กล้าทําอีกแต่สบายนี้สังคมเห็นกลับเป็นตาลปัดไปแล้วเห็นการสั่งสอนว่ากล่าวตาักเตือนกายเป็นการทรมานเด็กเด็กนี้แตะเด็กไม่ได้เลย จับต้องตัวเด็กก็ถือว่าทรมานเด็กนะ mm. เราจะไปสั่งสอนไม่ได้อย่างไร mm. ถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันเรามัมีหน้าที่สอนมีหน้าที่บอกก็บอกเข้าไปสอนเข้าไปส่วนเขาจะทำตามหรือไม่นี่เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมไป คำถามจากคุณ K.J.T. กับนัมัการเรียนถามพระอาจารย์ครับผมนั่งเจริญสติจนรู้สึกว่าตอนนั้นจิตนิ่งแล้วแต่ไม่มีอาการตกหลุมตกบ่ออาการแบบนี้จิตถือว่ารวมแล้วใช่ไหมครับก็รวมเล็กๆนั้งยังไม่รวมใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรบางทีก็รวมแบบตกหลุมตกบ่อก็มีบางทีก็ลงแบบเป็นขั้นๆลงรวมนิดหน่อยลงลงแบบลงตกมาจากที่ไม่สูงมากรวมแบบ น้อยๆรวมเป็นขั้นๆไปก็มีรวมแบบพดูดพาดลงไปเต็มที่เลยก็มีอันนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วมีความสุขกแล้วกันแล้วอยู่ในความสงบนั้นได้นานๆหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพระนี้ก่อนสำหรับวันนี้ ขอให้ท่านจงนำเาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ